นั้นถึงจะได้มาพบปะกันทีหนึ่งอันนี้มันก็เป็นไปทำเหตุปัจจัยของมันเหตุปัจจัยพาให้เป็นไปผู้อยู่เบื้องหลังก็ตั้งอยู่ในอภิปปมาตธรรมคือความไม่ประมาทตั้งอกตั้งใจฝึกตน ทำอย่างไรกิเลสตัณหาในหัวใจนี่มันจะน้อยเบาบางออกไปเราก็ทำความเพียรไปให้เต็มความสามารถเพราะการบวชในพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าอย่าไปมุ่งหวังอย่างเอื่น อย่าไปมุ่งหวังบูตรมาสเสวียเพื่อสเสวงหาราบส ก, การะหรือความนิยมนับถือจากคนหมู่มากควรเสวงหาวิมุติธรรมทรมันเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นจากกิเลสบาพธรรมต่างๆนี่จึงจะถูกจุดประสงค์ของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนานี่มีจุดประงสงค์โดยแ น, แน่วแน่เรื่องการทำจิตให้หลุดพ้นจากกิเลสตัณหานี่แหละเป็นจุดหมายปลายทางแต่เมื่อบุคคลใดอินทรีย์ยังอ่อนโยนี่มันก็ต้องทำความนีอย่างอื่นประกอบกันเข้าเส้นทำข้อวัดปฏิบัติ ต่างๆเช่นปัดกวาดทำความสะอาดเสนาส น, นะทำความสะอาดลานวัดเที่ยววินทะบาทเลี้ยงเทพไม่เกียจคร้านไม่เห็นแก่รลับแกนอนนอนก็ให้ตื่นตามเวลา อันบริมันรวดแต่มันเป็นการฝึกตนทั้งนั้นนะดังที่เคยชี้แจงให้ฟังมาแล้วแม้ว่าจะอยู่ใกล้คิดกับอุปชาอาจารย์เลือ่อยไปก็ตามถ้าหากว่าตนไม่ฝึกทนไม่ทร ม, มานตนเองกิเลสมันก็ไม่เบาางออกจากกิจใจแม้จะอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าก็ ยังละ ก, กิเลสไม่ได้บุคคลผู้กระหมาตผู้ไม่ทาความเพียรทั้งทางกายทางจิตใจการทําความเพียรทางกายเราก็ทําเป็นเวลาเช่นนั่งสมาธิภาวนาอย่างนี้นะส่วนทาความเพียรทางจิตนั้นเป็นอาการนิโก ไม่อ้างการอ้างเวลาเวลาไหนก็เป็นเวลาที่เราจะต้องมีสติสัมปชัญญะสำรวมจิตนี่อยู่อย่างนั้นแหละสำรวมจิตให้แนวแน่เราพิจรารณาสิ่งที่มากระทบในตาเป็นต้นให้รู้เท่ารู้ทันไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้าย ไปตามไม่หลงโกรธเกลียดเคียดชั่งต่างๆห น, านา้นาให้แก่บุคคลผู้ใดผู้หนึง่งหรือว่าสัตว์ตัวใดตัวหนึง่งก็ตามแหละเดียขึ้นชื่อว่าความโกรธแล้วนั่นนะ่ะมันจะโกรธให้ใครโกรธให้ต้นไม้แล้วก็มีโทษอย่าว่าจะโกรธให้คนให้สัตว์เลย มีโทษยังไงอ่ะมีโทษก็เพราะจิตใจมันเศร้าหมองนั่นแหละเมื่อมันโกรธขึ้นมาแล้วนะท่านถือเอาจิตใจที่เศร้าหมองขุนมัวนั่นแหละเป็นโทษเป็นบาปอกุศลให้เข้าใจดังนั้นการบวชเราไม่มีจุดมุ่งหมายที่จะกำจัดกิเลสดังกล่าวมานี้นะให้ออกไปจา ก, ก จ, จิตใจ ไม่ใช่อย่างอื่นใดโคตรใจของคนธรรมดาสามาัญนี่มันวกแวกมันวันไวไปตามสิ่งที่มากระทบมีรูปมากระทบในตาเป็นต้นดังกล่าวมาน้น่ถ้ารูปที่น่ารักน่าพอใจ ก็เกิดความรักความพอใจขึ้นมาในรูปนั้นถ้าเป็นรูปที่น่าเกลียดน่าชังน่าโกรธมันก็เกลียดก็ชังก็โกรธในรูปนั้นเนี่ยเดวะจิตวอกแวก back. เป็นอย่างนั้นเพราะเจ้าลันจะให้เป็นอย่างนั้นเราผู้ปฏิบัติธรรมต้องให้มีความรู้สึกสม่ำเสมอ ต่อสิ่งที่มากระทบกระทั่งทั้งหลายเราต้องเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีเกิดขึ้นแล้วก็มีแปรโพนแตกดับไปเป็นธรรมดาอยู่อย่างนั้นจะเป็นสิ่งที่น่ารักครือน่าชังก็ตามมันกร็ร้วนตั้งแต่ตกอยู่ในสภาพเกิดขึ้นแล้วแปรโวนแตกดับไป อย่างนี้ทั้งนั้นเลยแต่ถ้าบุคคลไม่มันพิจารณาให้ต่อเนื่องกันไปมันหลงเดี๋ยวมันหลงสำคัญว่ามันเที่ยงมันยั่งยืนไปแหละความหลงนั่นนะมันสวยมันงามไปเมื่อเมื่อมันไม่มันพิจารณาแล้วมันหลงจริงๆนะ เพราะฉะนั้นเราต้องพิจารณาบ่อยๆ อ, ยอมเมื่อจิตใจมันคล่องอยู่ในร่างกายนี่โดยวิธีใดแล้วก็พิจารณาเช่นอย่างมันคล่องอยู่ในร่างกายอันนี้โดยที่มันกำนัดยินดีพอใจกับร่างกายอันนี้อย่างนี้นะเราก็เพ่งพิริศพิจารณา ในร่างกายอันนี้ให้มันเห็นแจ้งชัดลงไปอยู่เสมอเสมอให้มันเห็นลงว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่ารักน่าพอใจอะไรเลยเพราะมันของไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันไม่ใช่ว่าจะสวยงามตามนิยมสมมุติของโลกอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปไม่มีอยู่นานปีนานเดือนเดือนไป มันก็ทรุดโทมไปเรื่อยๆไม่คงที่อยู่ได้อย่างนี้แหละไอ้คนที่มีตัณหาแรงกล้านั่นมนันไม่ว่านี่แม่รูปมันจะคำคล่าอย่างไรมันก็ยังกำหนัดยินดีอยู่ไอ้ผู้มีราคะกล้ามันเป็นอย่างนั้นดังนั้นให้ดูจิตใจตัวเอง ว่ามันเป็นอย่างนั้นไหมนี่ทานเป็นอย่างนั้นก็เราต้องทำความเพียรให้ยิ่งไปกว่านั้นอีกให้ความเพียรมาอยู่เหนือกิเลสอ น, นั้นกิเลสนั้นมันถึงจะอ่อนลงถ้าไปทำความเพียร น, นิดหน่อยๆเท่านั้นพอมันไปยุให้กิเลสมันกำเริบอีก่ํามันเป็นอย่างนั้นดนงนั้นเนะีะบุคคลที่จะ ได้วิมุตต์คือหลุดพ้นจากอสวกิเลสมันก็ด้วยอำนาจแห่งความเพียรแหละแต่แต่ความเพียร น, นั่นต้องประกอบไปด้วยปัญญาต้องประกอบไปด้วยสติมันถึงจับเพียรไปในทางที่ถูกต้องได้ ถ, ถ้ามีแต่ความเพียรอย่างเดียวขาดปัญญาขาดความคล่ายคลุ้นบางทีมันก็ เกิดความเห็นผิดไปจากคำนองครองธรรมก็มีอมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นปัญญานี้จึงจะเหมือนอย่างที่ว่าบุคคลเดินทางกลางคืนเดือนมืดต้องมีไฟฉายสำหรับส่องล่วงหน้าไปก่อนมันจะได้มองเห็นทางที่ถูกทางที่ไม่มีอันตรายต่างๆ หรือจะมีภัยอันตรายมีสัตว์มีพิษอะไรอยู่ในทามก็รู้มันก็เว้นได้ถ้าดำมืดไปมันเป็นการเสี่ยงเลยทีเดียวไ่โดนหลักโดนตอก็โดนสัตว์ที่มีพิษมันกัดต่อยเอากระึงความเจ็บ ป, ปวดทุกเขเวทนาอุปมานี่ฉันใจก็อย่างนั้นแหละ บุคคลไม่ฝึกขน้นจิตใจตัวเองปล่อยให้อวิชชาโมหะมันครอบงำจิตใจในี่มันก็หลงเห็นผิดเป็นชอบไปทั้งๆาานานาเห็นทุกข์กว่าเป็นสุขเห็นสุขกว่าเป็นทุกข์ไปอย่างนี้แหละอย่างบุคคลผู้มีราคะตัณหายอมใจ ใจนั้นป่าเพิ่มยินดีอยู่ในรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสต่างๆในวันนี้แม้ว่าวันจะร่างกายนี่จะสำรสุดสุดโทมอย่างไรมันก็ยังปลื้มใจกับอารมณ์อ น, นันอยู่นั่นแหละหาได้มีความสังเวชสะลดใจว่าตนได้มาอาศัยอยู่ในของไม่เพียงมายังยืนไหม ถ้าผู้ใดตกเป็นทาสของราคะตัณหาแล้วมันเป็นทุกข์จริงๆหาความสุขหาความอิสระไม่ได้เลยแม้บางคนอาจจะเบื่อต่อความรักความใครนั้นก็ได้แต่เมื่อทนสะสมให้มันหนาแน่นขึ้นแล้วอย่างนี้ยากที่จะละมันได้ไง่ายๆจะทำความเพียรละมันยังไง เ่งพีนาอสุภะว่าไม่สวยไม่งามมันก็เห็นสุเป็นสุภะว่าสวยว่างามไป อ, อตามกิเลสที่มันบันดาลอยู่ในจิตใจนั่นแหะมันเป็นอย่างนั้นกว่านั้นต้องระมัดระวังจิตใจอย่าไปให้ราคะทันหามันกําเริบขึ้นใน จ, ใจิตใจมากมายกายกอง นี่แด้เราสังรวมจิตตัดทอนมันลงไปเรื่อยๆในอริยบททั้งสี่นี่แหละไม่ใช่จะเป็นดั่งสัสติภาวนาแล้วถึงจะทำคมเพียรละอรมที่น่ารักน่าใส้ต่งตางๆหมู่นั้นนะ่ะมันไม่ทันหรอกแบบนั้นนะ่ะเราต้องมีสติสมปัจจัญญะอยู่ทุกอริยบท เมื่อเวลามีอะไรกระทบกระทั่งเข้ามามันก็รู้เท่าทันในสติปัฏฐานสี่พระองค์ก็ยังแสดงบอกไว้แล้วกายก็สักว่าแต่กายเวทนาก็สักว่าแต่เวทนาจิตก็สักว่าแต่จิตธรรมรมก็สักว่าแต่ธรรมรมไม่ใช่สวรบุคคลตัวตนเราเขาอะไรเลยเป็นแต่เพียงสภาวธรรม สภาวธรรมประชุมกันอยู่โดยอาศัยเหตุปัจจัยที่ตนได้สั่งสมมาตะก่อนมันยังไม่หมดมันก่อทำให้ร่างกายนี้มีกำลังเรียวแรงดีไปอยู่ก่อนถ้าเหตุปัจจัยคือบุญและบาปที่ทำมาตะก่อนหมดลงรูปร่างกายอันนี้ก็ทนอยู่ไม่ได้ต้องแตกดับทำลายไป อันนี้นะพ่ะเป็นสิ่งที่ควรคิดพิจารณาจริงๆนะคนเราถ้าหาก็ไม่เห็นเหตุปัจจัยของชีวิตดังกล่าวมานี่มันก็เลยสำคัญว่าตนจะมีอายุยั่งยืนนานไปนานแสนนานความความหลงอันนั้นนะมันถึงได้เพลินถึงได้เมากันไปตามกิเลสความรักความใคร่ต่างๆเหล่านั้นนะ ไม่สังเวชไม่เบื่อหนายอา้อาวร่างกายที่ทนอาศัยอยู่นี่มันยังไม่สำลุดสุดโทมพราะกำลังจเจริญไว้ใหญ่โตขึ้นมาอย่างนี้นะแล้วก็มองดูคนแก่ที่เป็นรุ่นปู่ยา่าตายายรุ่นพอ่อรุ่นแม่เขาไปสินั่นแหละท่านาร่างกายของท่าน น, นั้นเป็นยังไงก็พอรู้ได้เห็นได้แล้ว แล้วเมื่อบรรนี้ก็ทวนกระแสจิตเข้ามาเตือนตนนะ่ะแม้เราก็จะต้องเป็นอย่างนั้นคื อ, อรูปกายอันนี้ก็จะต้องเป็นอย่างนั้นแหละ mm hmm. เมื่ออยู่นานปีนานเดือนไปสําหรับอายุหรือว่าร่างกายของคนสมัยนี้นั่นไม่ไม่เกินล้อหรอกไม่กี่ปีความแก่ความทรุดโทรมก็ปรากฏแล้ว เป็นไปตามยุคตามสมัยมันสมัยคนมีอายุอายุยืนตั้งหมื่นปีสองหมืนปีแค่นี้ร้อยปีก็ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่มันต่างกันแ้วคนที่สมัยคนมีอายุสั้นมันก็เริ่มเป็นไปแล้วในสมัยนี้นะเกิดขึ้นมาอายุเพียงแค่ พครอบเก็บคร อ, อบหนึ่งมนุษย์อุบาทิยังไปคมขืนแล้วนี้ อ, อายุสิบปีสิบเอ็ดสิบสองปียังมีผัวได้แล้วก็คลอดลูกออกมาได้นี่เขาลงซื้อพิมพ์มาอย่างนี้แหละมันไปตามยุคตามสมัยมันนะ่ะกีเลศอันนี้น่ะยันเราต้องอ่านเราต้องเรียนให้รู้ไว้มันมันจะมีอะไรเล่านั่นเอง มันมีอาศัยแต่ความสัมผัสเพรานั้นเองมันหลงความสัมผัสอะความรู้สึกสัมผัสนั่นเนี่ยแบนี้พระพุทธเจา้ายังสอนให้เราเพ่งความรู้สึกอันนั้นน่ะเพ่งความรู้สึกสัมผัสอันนั้นให้เห็นสักแต่ว่าไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตวนเราเขาอะไรเป็นของเกิดแล้วก็แพร่พูนแตกดับไป ส่วนที่เป็นรูปก็เหมือนกันส่วนที่เป็นนมามธรรมเช่นความรู้สึกในอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันก็ ม, มีไม่มีรูปร่างอะไรแต่แล้วมันก็เกิดดับเกิดดับไปอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรยั่งยืนไม่มีอะไรเป็นรูปเป็นร่างเป็นตัวเป็นตนเลยนี่ต้องกำหนดรู้เห็นอาศัยความเพ่งนะเพ่งแล้วก็พินิษพร้อมไปอย่างนั้น ถ้าผูใ้ใดขี้เกยียจเพ่งพินิษแล้วก็มันจะไม่เห็นแจ้งเลยมันจะไม่เบื่อนายนเป็นไงนเพ่งเข้ามาภายในกายนี่เพ่งดูอยู่ยนั้นอานุภาพแห่งความเพ่งนันน่ะมันก็ทำให้จิตใจที่มันยึดถืออารมณ์ต่างๆมาแตกก่อนนั้นอารมณ์เหล่านั้นตั้งอยู่ไม่ได้มันก็ถอนออกไป ท่านว่าอำนาจแห่งความเพ่งหรือความอดทนอดกั้นนี่เป็นตะปะธรรมนี่เครื่องแผดเผากิเลสให้เราร้อนให้น้อยบอบางออกไปมันก็ต้องเป็นความจริงเนี่ยพิจารณาให้เป็นเห็นเป็นอย่างนั้นแหละแล้วถ้าหากว่าเราไม่เพ่งนอย่างนี้ใจมันจะเลื่อนลอยไปตาม อารมณ์ต่างๆที่กระทบกระทั่งมามันยับยั้งไว้ไม่อยู่เพราะว่าใจมันลอยมันไม่ตั้งมั่นแล้วให้พากันเพ่งพิจารณาดูให้มันเห็นเห็นจิตตัวเองนี่แหละว่าเป็นไงจิตตัวเองมันลอยหรือไม่มันเลื่อนลอยไหมเราจะรู้ได้เวลาที่มีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งมานั่นแหะมันเกิด ความรักความใคร่ขึ้นมาปัจจุบันนั้นด่วนเลยหรือมันเกิดโมโหโทโสขึ้นมาตามอารมณ์นั่นๆัอย่างนี้นะนั่นก็แสดงว่าจิตนั้นไม่เข้มแข็งอะไรจิตอ่อนแอถูกกิเลสมันจูงไปได้ตามประสงค์เลยผู้ใดฝึกจิตให้แห่งไม่ท้อไม่ถอยล้วจนว่าจิตมัมเข้มแข็งมัน แกกล้าพอเช่นนี้แล้วมันก็ไม่วันไหวตื่นเต้นกับอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นนะข้ อ, อนี้ผู้ปฏิบัติจะเพิ่งรู้เองเห็นเองผู้ที่ไม่ปฏิบัติก็รู้ตั้งแต่ความวันไหวของจิตใจเท่านั้นไอ้ความที่ใจตั้งมั่นไม่วันไหวนี่มองไม่เห็นจะเห็นได้ยังไงตนเองไม่เพ่ง ไม่ไม่ขมจิตหรือว่าไม่อดกัน้นสักทีเมื่อเมื่อสิ่งใดกระทบกระทั่งมา ก, ก็กุุงแต่งไปตามมันเลยยินดียินร้ายไปตามอย่างนี้นะแล้วใจมันจะยับยั้งอยู่ได้อย่างไรอะ่ะตนเองส่งเสริมตนเองให้หลงไหลไปเช่นนั้นเรื่องมันะดังนั้นเพื่อไม่ให้มันหลงไหลไป พอพุทธเจ้ายังสอนให้เพ่งพินิษฐ์การภาวนาเนี่ยมันเป็นการเพ่ ง, งนั่นแหละเช่นแม่พูดพุดที่จะบริกรรมพุทโธอย่างนี้นะเราต้องเพ่งจิตเนี่ยให้มันสงบตั้งมั่นลงไปแล้วจึงนึกพุทโธอยู่ในความรู้สึกอันนั้นนะพุทโธอยู่ตรงไหนความรู้สึกก็อยู่ตรงนั้นความรู้สึกอยู่ตรงไหนพุทโธก็อยู่ตรงนั้น ทำได้อย่างนี้จึงมันจึงได้ผลการบริกรรมพุทโธนะถ้าหากว่าไม่ขมจิตไม่เพ้งจิตให้หยุดอยู่แล้วปล่อยให้จิตเลือนน่อนลอยน่ะนึกพุทโธมันก็นไหลไปตามอารมณ์ไ ห, ไ, มไหลไปตามกระแส จ, จิตที่ถูกจัญหามันจูงไปนั่นเองเนี่ยนี่มันก็หมายไปมันมุ่งหมายไปปรุงแต่งไป เกิดความยินดีร้ายไปอย่างนี้นะเมื่อเป็นเช่นี้มันก็รู้จริงไม่ได้สักทีรู้แต่เรื่องไม่จริงอย่างเดียวไอ้อเรื่องจริงไม่รู้อ่ะนี่เป็นอย่างนั้นรู้รู้แต่ไม่จริงรู้ยังไงอ่ะก็รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันก็แปรปรวนแตกดับไป นั่นรู้อยู่แต่ว่าใจมันไม่ยอมใจมันไม่ยอมละความยินดียินร้ายเหล่านั้นนี่เรียกว่ารู้แต่ของไม่จริงของจริงไม่รู้ถ้าถ้ารู้ว่ารูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นเหล่านี้ไม่เทียงไม่ยังยืนร่างกายทุกส่วนเหล่านี้นะก็ล้วทวนกระแสจิตเข้ามาเพ่งดูบ่อยๆเข้าไป เมื่อเพ่งเข้าไปแล้วมันต้งมองเห็นได้ชัดเลยถ้าไม่เพ่งแล้วมองไม่เห็นหรอกมันมืดภายในจิตใจนี่นะเมื่อเราเพ่งความรู้สึกแล้วไม่ท้อไม่ถอยมันก็ค่อยสว่างอ๋อสว่างออกไอ้ความมืดทั้งหลายหมดนั้นนะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปท้อถอยในการทําความเพียรเพ่งพินิษฐ์ดังกล่าวมานั้นนะ ไอเราผู้เป็นนักบวดนี่เราสระสละกิจบ้านการเรือนต่างๆมาหมดแล้วมุ่งหน้าแจที่จะทำความเพียรให้ได้วีมุตคือความหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายนี่นะจุดมุ่งหมายเราอยู่ตรงนี้แต่ถ้าไม่เพ่งทำใจให้เข้มแข็งให้กล้าหาร อย่างว่านั่นแล้วมันเป็นมันบุยมุดไม่ได้เลยหลุดพ้นไม่ได้เพราะเพราะว่ามันใจมันยึดเอากิเลสไว้กิเลสกดยึดใจไว้ให้ไหลไปตามอำนาจของตนเช่นนี้มันจะหลุดพ้นไปได้ยังไงอ่ะนั่นเองจิตเทียมจะหลุดพ้นไปได้มันต้องอาศัยการเพ่งพินิษอยู่ที่เดียว เห็นอะไรก็เห็นแจ้งประจักษ์อยู่ที่เดียวนั้นเห็นความไม่เที่ยงของร่างกายสังขารก็เห็นแจ้งอยู่ในใจอันเป็นประจวนคือเห็นความแปลปยพลของร่างกายได้อยู่อย่างนั้นนีน่ในขณะที่จะเพ่งอยู่เห็นความทนทุกข์ได้ยากลําบากของร่างกายอันนี้ อะทำไมเองว่ามันทุกข์ได้ยากลำบากมันก็สบายอยู่นี่ก็ทนได้ยากลำบาการ่างกายนี่มันอาศัยอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงอยู่มันก็จึงพอประทังอยู่ได้ถ้าลองไม่นำอาหารมาหล่อเลี้ยงมันลองดูสินั่นเองร่างกายนี่มันก็มีแต่อ่อนเพลียละเหียใจลงไปคิดใจก็เหมือนกันเลยก็อ่อนใจลงไป เพราะร่างกายอ่อนจิตใจนี่มันอาศัยในร่างกายนี่พอร่างกายทุดโทมจิตใจก็ทุดโทมไปตามกันนี่หมายถึงจิตที่ไม่รู้นะจิตที่ไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้เพ่งให้เข้มแข็งมันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยดังนั้นเราจึงต้องแบ่งออกชีวิตนี่ออกเป็นสองภาคหนภาคหนึ่งเป็นภาคของร่างกาย ภาคหนึ่งเป็นภาคของดวงจิตอย่างนี้นะถ้าเราแยกออกกันดูได้อย่างนี้มันจึงจะมองเห็นทางนะหลุดพ้นได้ถ้าแยกจากกันไม่ออกเลยนะ่ะไม่มีทางนะไม่มีทางจะหลุดพ้นไปได้เพยงั้นเพราะว่าจิตใจมันยึด ถือร่างกายอันนี้อยู่ว่าเป็นเราเป็นเขาอยู่อย่างนั้นมันไม่ยอมปรงไม่ยอมวางไปยึดเอาของไม่เที่ยงเป็นเครื่องอยู่ในจิตใจอย่างนี้นะเมื่อของไม่เที่ยงคือร่างกายนี่มันวิบัติแปรปรวนไปจิตใจก็เดือดร้อนนะไม่นึกเลยไม่ฝันไลยว่ามันจะวิบัติแปรฝันไปอย่างนี้เสี ย, ยใจเศร้าโศกขึ้นมา เังนั้นบุคคลผู้ได้เพ่งพิจิตรเห็นความจริงปรากฏในใจขึ้นมาอย่างนั้นแล้วอจิตใจนี้มันก็ไม่วกแวกนเลยมันก็อยู่กับเรื่องความไม่เที่ยงอยู่กับเรื่องความเป็นทุกข์ของร่างกายสังขาร น, นิทนได้ยากอยู่กับความเป็นอนัตตาของร่างกายสังขาร น, นี้อืม กัร่างกายไนี่มันบอกไม่ได้บังคับไม่ได้เราก็รู้กันอยู่แล้วดังนั้นนะ่ะเราเพียงแต่รู้ผิวเผินเ่านี่มันก็ยังไม่เกิดนิพพทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาได้ต่อเมื่อเราเพ่งพินิษให้แก่กล้าขึ้นไปโดยลาดับเช่นนี้นะ่ะมันเพ่งจะเกิดนิพพทาความเบื่อหน่ายขึ้นในกิจใจได้ คหยพากันเข้าใจเราจะไปทำความเบียนทางจิตใจนี้ทำเล่นๆไม่ได้เลยต้องทำจริงๆงางกลางลงไปเลยทีเดียวไม่มีใครจะช่วยเราได้อุปชาอาจารย์ทั้งหลายหรือผู้มีความรู้ในทางธรรมะยิ่งอย่างไรก็ช่วยเราไม่ได้ ในเมื่อเราช่วยตัวเองไม่ได้นะคนภายนอกก็ช่วยไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยให้พึ่งพากันทำความเพียรเมื่อเข้าใจอุบายแยบคายดังที่แนะนำสั่งสอนมานี้นะให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจทำความสงบเพ่งทินิดต่อไป